ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟั ง, งทั้งหลายแต่รลวปโพธิญาณได้นำเสนอคันติบารมีสืบต่อกันมาโดยลำดับและแห่งพระพุทธรรมหรัดที่ทรงประรบคันติแล้วก็แสดงจำแนกแสดงเอาไว้นั้นมีเป็นนั้นมากรับสั่งไว้ในตอนหนึ่งว่าคันติเป็นกำลังของนักพุ นั่นก็หมืหมายถึงพวกนักบวชประเภ ท, ทต่างๆนว่นักบวชในพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ห้าประเภทแต่ละประเภทนั้นก็อยู่ในฐานะที่เรียกว่าเป็นนาคาริกคือไม่มีครอบครัวไม่มีบ้านการใช้ชีวิตในส่วนที่เกี่ยวกับใจสี่ก็ฝากไว้กับคนอื่นโอกาสที่จะได้สิ่งซึ่งตนต้องการเนี่ยก็ได้โดยยั่ง และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือการประพฤติพรหมจรรย์นั้นโดยการทวนกระแสอารมณ์สุดกระแสกิเลสมนุษย์ในการมาปัจรูิแต่ว่าบทบัญญัติในสี่ข้บททั้งหลายนั้นเป็นการทวนกระแสความรู้สึกในทางกรมรมพรหมจรรย์ก็เน้นไปในเรื่องเหล่านี้ดังนัานการที่ท่านเหล่านั้นจะต้องอดกลั้นจะต้องอดทนจะต้องอดชนะใจตัวเอง คือปัญหาใหญ่บนอยู่ที่ความเหลียวนึกสึกนึกของตัวเองถ้าตึกนึกในทางใคร่ความใคร่ความปรารถนาก็บังเกิดขึ้นปัญหาว่าคุมได้ไหมถ้าคุมไม่ได้มังก็อาจจะไปละเมิดสิขาบท ต, ต่างๆที่ศพมันแดนดเอาไว้แล้วถ้าหากว่ามีความรู้สึกรุนแรงบางครั้งบางคราวก็ลืมที่ท่านเรียกว่าปาราชิก ก็คือแพ้ใจตัวเองนะประราชิษก็คือปราชัยแปลว่าผู้พ่ายแพ้ทางมโนโปณิธานไว้สูงต้องการจะประพฤติปรมาจัย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แด้เอาขวจิงแล้วด้วยความต้องการทำธรรมชาติบ้างโดยแรงกระตุ้นจากกนองบ้างด้ยเกิดขายปัจจัยด้ยการเหนี่ยวนึกสึกนึกถึงเรื่องเหล่านี้บ่อยๆบ้างตานนั้นก็ประสบปัญหาแล้วก็เป็นเรื่องปกติวิสัย จริงการประพฤติปฏิบัติปรมมจรรย์ของพวกนักบวชมันก็มีลักษณะคล้ายๆกับวิ่งแข่งมาราธอนเหมือนกันคือตอนออกวิ่งนั้นคนก็เยอะหน่อยแล้วคนจะลดน้อยลงไปโดยลำดับเมื่อเราไปดูที่ปลายทางนั้นจะเหลือคนเพียงไม่กี่คนและะน้วชนะอันดับเด่งก็มีอยู่เพียงคนเดียวโดยเฉพาะเราจะเห็นได้ในสังคมไทยเราในค่อนข้างชัดเจน คือคนที่เข้ามาบวชนั้นจะจํานวนมากเรามีคตินิยมที่ว่าลูกูุชาทุกคนต้องบวชแต่ว่าบวชแล้วอยู่ได้ยืนนานเนี่ยจะมีจํานวนน้อยเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าคนที่บวชอยู่เนี่ยมันก็เหลือไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เรียนแต่มีลักษณะส่วนหนึ่งก็คือสะสมส่วนหนึ่งก็คือถ่ายเทกัน หมายความมาพวกที่เหลือก็เหลือแล้วพวกที่อยู่ก่อนหน้านั้นก็สึกออกไปเจํานวนนักบวชในพระพุทธศาสนาปัจจุบันเราก็มีภิกษุกับภิกษุณีอไม่ใจภิกษุกับสามเณรหรือแม้จะถามจะแถมนักพรตคือภิกษุณีก็ไปด้วยไม่ใจแม่ชีก็ไปด้วยนะแม่ชีต่อไปเนี่ยกฎหมายก็จะให้เป็นนักพรตหรือนักบวชนะตอนนี้ก็ยังไม่ออกมา ถ้าเหล่านั้นต้องต่อสู้กับปัญหาในชีวิตตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือต่อสู้กับจิตใจตัวเองที่ส่วนหนึ่งก็มีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอกส่วนหนึ่งก็เหนือลึกจุดลึกขึ้นมาจากข้างในแล้วก็นําไปสู่ปัญหาด้วยกันทั้งนั้นวนนักโ น, นั้นจึงต้องอดกลั้นอดทนต่ออารมณ์เท่างหลาย อารมณ์อื่นไม่ค่อยหนักเท่าไหร่หรอกอารมณ์ที่เกี่ยวกับทางเพศอารมณ์ที่เกี่ยวกับโทสะค่อนข้างจะแรงวนแต่เราต้องการจะทดสอบนักบวชนะเราเห็นว่านักบวชมีจุดอ่อนในเรื่องของโทสากับราคาเพราะอะไรเพราะว่าวิธีชีวิตของท่านจริงๆนั้นไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องโทสารค คือไม่มีใครไปกระตุ้นโทสะท่านบ่อยๆเดี๋ยวท่านก็ไม่รู้ตัวเองว่ามันเจอเข้านี่จะทนได้มากน้อยแค่ไหนเป็นไรแล้วการกระตุ้นด้วยราคะ ก, ก็กระตุ้นน้อยหรือกระตุ้นมาจากข้างนอกนิดหน่อยเพราะนั้นเมื่อเจอแล้วเนี่ยส่วนมากจะพ่ายแพ้ได้โดยง่ายแม้แต่คนบางทีจเจริญ ก็มาฐานมาจนถึงได้อภินยาระดับโลกยียงฌานมันก็สื่อมมาดื้อๆจะในอีกรณีของอิสิปัตนะมรุกะทายวันที่พระเจ้าส่งแสดงปฐ ม, มเทศนาในครั้งแรกเนะี่ยความเป็นมาของชื่อนี้มันก็เล่าโดยสรุปนะว่าคำว่าอิสิปัตาานะเนี่ยแปลว่าษีตกห ร, รือีหล่น เป็นพวกกลุ่มฤาษีที่ได้ภิญญาสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ท่านก็เลื่อนลอยมาในอากาศแต่เรียกว่าเลื่อนลอยมาเบื้องบนนภอากาศแต่ก็ไม่ใช่ลอยสูงนะก็ทำให้ได้ยินเสียงข้างล่างแล้วเห็นรูปข้างล่างตอนได้ยินเสียงท่านก็เริ่มเสียสูดแล้วเป็นเสียงผู้หญิงร้องเพลง แล้วก็มองตามเสียงไปก็เห็นรูปก็ในความรู้สึกของท่านได้อยู่ป่าก็เห็นได้ลิงแต่ข้างเห็นได้นกเห็นได้ต้นไม้นะครับเพราะมาเจอคนเข้าเนี่ยเขาเรียกว่าวิสภาคอารมณ์อรมที่มันเป็นคัดสึกต่อจิตใจก็โดยธรรมชาตินะคนระับเพราะในการมองในแง่ธรรมชาติเนี่ยต้องมองเอาไว้เพราะแต่ละคนที่จริงมันเป็นผดผลกับธรรมชาติ พเจ้าจ um ึงทรงแสดงไว้เ e ป็นโครงสร้างหลักว่าพระองค์ไม่ทรงเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ใดที่เกิดขึ้นแล้วครอบงำใจผู้หญิงได้เท่ากับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ของผู้ชายก็ในกรณีของผู้ชายก็เหมือนกันก็ทรงแสดงว่าพระองค์ไม่ได้ทรงเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ใดที่เกิดขึ้นแล้วครอบงำใจผู้ชายได้เท่ากับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ของผู้หญิง ธรรมดาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไนแต่รามาระดับกามาวจรภูมินะคือสัตว์โลกห้าไม่ใช่สิบเอ็ดประเภทนะครับบายสี่มนุษย์1่สวรรค์หกเนี่ยตรงนี้ใจจะอ่อนไหวในด้านตัวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่เป็นนักพรตมันก็ดึงกายออกมาห่างอารมณ์ตัวนั้นแต่ป่าหาว่าจิตตั้งหางได้หรือไม่ล่ะถ้าจิตตั้หางไม่ได้มันออกเฉพาะกายแล้วก็จิตไม่ออก โอกาสที่ท่านจะพลาดพลั้งเสียทีนั้นเมื่อก็มีได้แต่ถ้าท่านมีคันติความอดกลั้นความอดทนต่ออารมณ์ที่ยั่วยวนเรานั้นเอาไว้ก็ถือว่าเป็นกำลังอย่างหนึ่งของนักพรต ท, ที่จะต่อสู้กับใจตัวเองแม้จะมีการกระตุ้นจากข้างนอกต่มันอยู่ที่เราคิดยังไงมากกว่าเพราะในสิ่งที่เราตตอทุ่งจริงๆต่อสู้กับใจตัวเองใกล้ๆกับการแข่งขันต่างๆ โดยถ้าเราดูให้ดีไม่ใช่แข่งขันกับคนอื่นได้แข่งขันกับตัวเราเองเช่นสมมติเราวิ่งแข่งนเนี่ยก็ต่างคนต่างวิ่งไม่ได้แข่งกับใครแต่ว่าใครวิ่งได้ดีที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดคนนั้นก็ชนะก็เท่า น, นั้นเองไม่มีใครเป็นศัตรูแต่ว่าเป็นการทดลองกําลังวิ่งกันดูแต่แนวการชกมวยการอะไรต่อไรอย่างใกล้ๆจะมีฝายตุกกันครับ แต่ตรงนั้นก็อีกหละมันก็แข่งกับตัวเองเอกิฬาทั้งหลายถ้าเราดูให้ดีเนี่ยมันเป็นการแข่งกับใจตัวเองเราชนะใจตัวเองได้ก่อนหรือไม่เนี่ยก่อนจะชนะคนอื่นเนี่ยถ้าเราชนะใจเราเองไม่ได้เราก็ชนะคนอื่นไม่ได้เพราะแม้ชีวิตของนักบวชเราเชืว่าประสาชได้มีอยู่สี่ข้อก็ที่จริงก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นั่นเอ เรื่องการมีเพดสัมพันธ์เรื่องการฆ่าการเรื่องการรักการเรื่องโลภมากแล้วก็อยากจะได้ผลประโยชน์ความกโรคต้องือจากคนอื่นก็พูดอุดริมนุสธรรมออกไปก็คือเมื่อสาวานั่นเองเพราะตรงนี้เราลองสังเกตว่าเป็นอาการของโลภหลงเนี่มันจะเยอะโลภจนไม่ได้มองอะไรให้ชัดเจน เมื่อก่อนไปท่อศพที่วัดมกุูดก็พบก็ลุกศิษย์เขาเป็นอนุสาธนาจารย์นะแล้วก็ไปเกิดอธิบายสีห้าเนี่ยว่าข้อที่ห้าเนี่ยมันรดแรงที่สุดบอกคุณมั่วแล้วท้งนั้นนะคือสีห้าเนี่ยพระเจ้าเรียงไว้ย่างนั้นนะชีวิตเนี่ยอันดับหนึ่งทรัพย์อันดับสองคู่ครองอันดับสามสื่อสารอันดับสี่สุราเนี่ยพอถึงประนี้ขึ้นเนี่ย มันอยู่ในกลุ่มของอบายามุขไม่ได้อยู่ในกลุ่มของศีลเพราะงั้นเราจะเห็นว่าเพราะศีลทั้งศีลพระในสุราโทษนิดเดียวในขณะที่ฆ่าคนในหมดสภาพความเป็นพระมีเพศสัมพันธ์หมดสภาพความเป็นพระบุตรอุตริมาธรรมหมดสภาพความเป็นพระลักขโมยหมดความเป็นพระเนี่ยสุราก็ประวัติปาจิ ต, ตีท่านนั่นเอแล้วก็บอกว่าคนฆ่าคนเพราะ พราะเม่สุราบอความผิดนั้นเขาผิดเพราะฆ่าคนนะฮะไม่ใช่ผิดเพราะเม่าสุราแล้วว่ากันตามความเป็นจริงในแง่ของศาลแล้วเนี่ยการเม่สุราเป็นเหตุให้บรรเทาโทษลงไปมันไม่ใช่เป็นเหตุให้โทษหนักขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวฆ่าเนี่ยคือเจตนาฆ่าเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเมาไม่เมาแต่มเกี่ยวกับเจตนาฆ่าแล้วก็มีการฆ่าแล้วก็ฆ่าได้จริงโทษมันหนักอยู่ตรงนั้น ประร่างสุราเนี่ยสุรากลายเป็นตัวเหตุแต่บรรทานโทษว่าเมาสุราอาไรว่าขาดการควบคุ fourteen, มตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เป็นเหตุให้สารบรรทอนโทษลงไปได้อันนี้คือบางทีเราก็ไปว่ากันเองคือไม่ดูพระพุทธทานเรียงไว้แล้วน่ะไปอธิบายสลับกันมันก็ยุ่งหมดกันทันเดียวแต่เราจะเห็นว่าในสถานภาพของความเป็นพระเนี่ย คือจะให้ความสําคัญแก่โทษประเภทมีเพศสัมพันธ์เพราะเราะโทษเลาอื่นเนี่ยเช่นเราไปฆ่าคนไปรักทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษสากลหรือใครจะไปทำก็ตามมันก็ผิดแต่นั้นนะแต่มีเพศสัมพันธ์จริงๆมันเฉพาะสถานภาพของความเป็นพระส่วนชาวบ้านทั่วไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะถ้า แ, แต่งงานกันถูกต้อง อุตริมนุสธรรมนั้นถือว่าเป็นยอดของมาโจนเมื่อก็เกิดมาจากโลภเกิดมาจากความโลภดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเอาแค่จริงที่อดทนนะัคืออดทนต่อแรงเสียดทานของกิเลสที่มนเกิดขึ้นภายในใจโดยการยั่วยุมันจากข้างนอกไม่ใช่ยัวยุยุก็ได้ยดั่วยวนก็ได้นะแต่ยู่นึกสึกนึกด้วยด้วยการไปตกเกิสึกนึกลดยหน้าความคลายในสิ่งที่คลาย พยายามวิตกสึกนึกด้วยความอาคตาพยาบามในคนสัตว์ที่ตน อ, อาคติพยาบามสึกนึกด้วยความเบียดเบียนในคนสัตว์ที่ตัวเองต้องการจะเบียดเบียนเ น, นี่ยมันก็กลายเป็นปนัญหาใหญ่การอดกันอดทนเอาไว้ได้เนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความเป็นนักพรตสรางประพันธ์ไว้เป็นคํากรอนแต่มาจากคติมิยมของผวกอารยา น, นะะ ท่านบอกว่าชายงามด้วยความรู้รุววงามประนามเสียงหญิงสวยด้วยคู่เคียงสัตว์ของเลี้ยงงามพระพีพระอาจารย์นั้นแจ่มฟ้างามสงา่าประราศรีบันประชิตทั้งปวงมีคือขันตีงามพันไรเพราระนักบวชทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีขันติแล้วจะมีความงดงามหมายความว่าการใช้เรียบททั้งหลายเนี่ยจะต้องอดการอดทนมากกว่าคนทั่วไป คือคนทั่วไปเนี่ยก็อาจจะนั่งอย่างไงก็ได้นะแต่ว่าพระไม่ถูกบังคับให้นั่งพระเพียบจานสมมติเราจะนั่งเทศบนธรรมะเนี่ยนะที่จริงจะนั่งขัดสมาธิแล้วก็นั่งสบายกว่าแตตั้งกําหนดให้นั่งพระเพียบมันเป็นประเพณีนิยมของไทยไม่ได้ไม่ไม่ใช่เรื่องของพระธรรมวินัยแล้วตรงนี้มันเป็นจารีตไปแล้วการนั่งทนอยู่ได้สมมุติว่านั่งเทศได้ถึงสองชั่วโมงเนี่ย แ, แสดงว่าต้องอดกะหนดตดมาในขณะที่คนอื่นเขาฟังเนี่ยเขาฟังอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาพริกกลับกี่หนลก็ได้หรื อ, อย่ายังพระสวดปาฏิโมกคนที่สวดเนี่ยธรรมามันแคบเล็กนิดเดีย่ยแล้วก็จะรีดเนี่ยกาหนดให้นั่งพระเพียรสวดนั่งเวลาประมาณถ้าสวดเร็วหน่อยประมาณสี่สิบห้านาที แต่ก็เนี่ยบิ่งอยู่แถวสี่สิบห้าถึงห้าสิบนะะถ้าเกินนั่งก็ช้าไปแล้วก็สวดช้าไปแล้วก็ต้องนั่งอยู่ตรง น, นั้นไม่ขณะที่คนอื่นซึ่งฟังเนี่ยอาจจะพลิกไปก็สองสามรอบแล้วก็ได้นะแต่ว่าเราพลิกไม่ได้เพราะถ้าพลิกแล้วบางทีนี่สติมันก็ขาดก็เลยก็ต้องตำตำต้องสำรวมระวังจิตแล้วให้อยู่กับเรื่องดงนั้นแล้วก็สวด ว่ากันตนตบเราเห็นว่านักพรที่เกิดความผิดพลาดเนี่ยตัวเด่นของพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านยกเรื่องขันติวัตถีดาบทหมายความว่าขันติวัตถีดาบทก็คือนักพรตเน่ยนะนักพรนักบวชพระโพธิสัตว์เกิดเป็นขันติวัตถีดาบทก็ไปเจอกับกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อรู้สึกเกชื่อกับพระเจ้ากระลำพุหรือกระลาพุเนี่ยนะ ก็ไปเบียดเบียนขม่มขู่คุกคามสารพัดท่านไม่ได้โกรธอะไรเลยนั่นก็แสดงให้เห็นว่าการรักษาอารมณ์รักษาจิตตัวเองเนี่ยแยกให้ออกว่ามนุษย์เรานั้นเป็นไปตามกรรมคนเหล่านั้นได้รับคำสั่งของประชาชหรือที่ประชาชนท่านทำเองก็เป็นเรื่องของท่านก็เป็นกรรมของท่านที่จะต้องเป็นไปตามกรรม แต่ถ้าเราไม่โกรธตอบไม่ประหารตอบไม่ประทุษร้ายตอบไม่ดา่าตอบคนเหล่านั้นก็เป็นไปตามกรรมของเขาเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราก็มีหน้าที่ห้ามใจเรานักบวชมันจริงอยู่ที่การห้ามใจเราถ้าถามแม่ชาวบ้านชาวบ้านก็เหมือนกันอยู่ที่การห้ามใจของเราดังนั้นถ้าเรามีพลังคือสติอยู่ มันจะกลายเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นนักบวชที่มีการอดกลั้นอดทนแล้วก็ถือว่าสมณพราบนั้นมีการอดทนเป็นกําลังนะโดยในยะหนึ่งหมายความว่าถ้าไม่อดทนนี้อยู่ไม่ได้หรอกชีวิตการเป็นพระมันไม่ใช่เรื่องอยู่ง่ายๆนะฮะถ้าอยู่โดยรูปแบบพื้นฐานของความเป็นพระจริงๆจะอยู่ยากมากมีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไปรุ่นครูบาอาจารย์ แตอท่านอยู่มาจนเป็นสมผานแล้วต่อมาท่านสึกเนยพอเจอคุยเรื่องพระท่านบอกโอ้จะให้บวชดีกัไม่เอาหรอกขนาดได้ยินเสียงระครังนก่นลุกสู้เลยคือมันขยานมันหวาดกลัวโดยกฎเกณฑ์ระเบียบแบบนนีมันมีเยอะแล้วกันเราจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองมันจะต้องบีบดิงเงื่อนไขต่างๆนี่มาก แล้วก็กลายเป็นบุคคลที่สาธารณะจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นคนของประชาชนจริงๆด้วยเพราะถ้าหากว่าประชาชนท่านทิ้งวันไหนเนี่ยก็จบก็เคยบรรยายอบรมพวกประสังขธิการพวกพระทั้งหลายเนี่ยกือเตือนในท่านคิดว่าไอ้คำพูดที่ว่าพวกเราเหมือนปลาเนี่ยชาวประจาเหมือนน้าเนี่ยคนเหมาะที่สุดก็คือนักบวชเนี่ย คนอื่นมันไม่ถึงกับขนาดนั้นเป็นพวกดาราซึ่งเราถือเป็นบุคคลสาธารนณะล้วก็มีโครงสร้างเดียวกันแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเขาอยู่ด้วยตัวงเขาได้เขามีรายได้เขามีสถานะเขามีครอบครัวมีหน้าที่การงานต่างๆแต่ว่าคนนี้ต้องเกาะ อ, อิงจริงๆนะก็คือภิกษุสา ม, มนเณรดังนั้นการ เสริมพลังความอดกลั้นความอดทนเอาไว้แต่ว่าท่านหมายรวมนะบบาสมณะพราหมณ์คือคือพวกพราหมเนี่ยมันมีอยู่สองกลุ่มเคื่องบดีพราหมเครื่องบดีเนี่ยไม่เคยแปลกอะไรมันรวยมันสบายแต่ว่าสมณะพราหมณ์นั้นจะต้องอดกลั้นโอดทนมันมีตบะมันมีพิธีกรรมมันมียันย์และพิธีต่างๆที่จะต้องใช้ความอดกลั้นอดทนต่ออารมณ์อยู่สูง เพราะเราพบว่าบางทีเนี่ยขนาดใหญ่อย่างฤาษีมหมาฤาษีกะลายโกดเนี่ยในเรื่องรามเกียรติเนี่ยมหมาฤาษีใหญ่ที่สุดนี่คือกะลโกดนะะแต่แเราจะเห็นว่ากะลโกดผลท้ายก็พ่ายแพ้ต่อสัจเจเพศก็เขาบอกว่าเทวดาทรงนางเทพธิดาลงมายุ่ยยวนนะฤาษีกะลโกดตะบะก็แตก ดังนั้นคนที่มีความเข้มแข็งที่เราดูในเรื่องราวต่างๆนะในเรื่องรามายานะเรื่องราวมัเกรนในที่จริงก็มีเยอะพอตรงไห น, นพอผู้หญิงเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วจะจเกิดจุดอ่อนแอทันทีได้เพราะเรื่องาาราวมังกรส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องผู้ชายในเรื่องรถทับจับสึกเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชายแต่ผู้ปอดพอผู้หญิงเข้าไปก็เกิดจุดอ่อนทันทีจะเรื่องมาเรื่องนะฮะเราจะเห็นว่า มันก็เป็นเรื่องของผู้หญิงพอผู้ชายเข้าก็กลายเป็นจุดอ่อนเหมือนกันนั่นคือโรกจะมีลักษณะอย่างนั้นเพรา ะ, ะัชีวิตของคนแต่ละคนจะจำเป็นจะต้องเจริญคันติบารมีอย่างน้อยที่สุดนี่อย่าอ่อนแอจนเกินไปไม่อ่อนไหวแต่กับแรงย่อหยุแรงว ย, วย่รวนแรงชับชวนเชิญชวนปละลาบประมด้วยวิธีการต่าง ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกจุดที่อดทนยากที่สุดกลายเป็นจุดที่อ่อนหวานนิ่มนวล น, นะฮะนั่นคือจุดที่ทนอดทนได้ยากจุดที่แข็งกร้าจุดที่ท้าทายค่มคูคุกคามเนี่ยบางทีก็อดทนได้ง่ายกว่าพอสมมติว่าคนใหญ่ร่างใหญ่บุ๊บเลยเนะมาท้าเราต่อยเนี่ยเราก็ต้องอดทนเอาอะนะ แต่ทีนี้ถ้ามีคนสวยมาโยโวยวนด้วยวิธีการต่างๆถ้าไม่เข้มแข็งจริงๆแล้วก็ตายได้ง่ายๆแต่นั่นถ้านยิงอว่าเป็นกำลังหมายความว่ามันต้องอยู่ในจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นภูมิต้านทานกระแสอารมณ์ได้ไม่ใช่ว่ากำลังแบบจอาแหญ่นะกำลังที่เป็นภูมิต้านทานกระแสข อ, อารมณ์ได้พออารมณ์เกิดกระทบแล้วเนี่ย ปดกั้นอดทนได้โดยอัตนโนมัติซึ่งก็กลายเป็นความหนักแน่นมั่นคงภายในจิตแล้วไม่ผุนผันไม่วู่วามไม่อ่อนแอไม่อ่อนไหวการเสริมสร้างคุณภาพจิตขึ้นมาได้ในลักษณะนี้ไม่ใช่ทำได้โดยง่ายแต่ว่าเราลองสังเกตว่าถ้าคนระดับภูมิจิตเ็าขึ้นถึงแล้วเนี่ย สิ่งทั้งหลายที่เข้ามากระทบจะไม่มีปัญหาอะไรอย่างที่ยกตัวอย่างเ ร, าเรื่องประสุนทรสมุทรนพระสุนทรสมุทรเนี่ยท่านคลายการมาราคะในสมบัติมาแล้วท่านคลายการมาราคะในเรื่องทางเพศมาแล้วทรัพย์ ส, บสมบัติจำนวนมห า, าศาลเนี่ยท่านทิ้งมาได้จะมาตายในเรื่องโยโยนขนาดนั้นมเป็นไปไม่ได้เตืมือระดับนั้นที่จริงมันมน้อย ไม่จะมีมากอะไรคนเราจรึงควรไม่ควรมั่นใจนะไม่ควรวางใจว่าเราสามารถอดกัน้นอดทนต่ออารมณ์ทั้งหลายได้ทุกกรณีเนี่ยหลบไปบ้างหลีกไปบ้างได้เป็นการดีตอนเราเห็นว่าวิเนัยของพระก็ดีวิเนัยของพิสุติก็ดีเนี่ยมีลักษณะป้องกันเนีเยอะโดยไม่ต้องไปอดทนเพราะส่วนใหญ่ถ้ามาแรงเนี่ยอดทนได้ยาก ทั้งฟังทงไนต่ลงพระพทยญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจุมมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี